คำว่าพระผู้มีพระจักสุนี่นะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีจักสุขก็คือพระพุทธเจ้านี้มีจักสุแจมแจ้งด้วยจักสุห้าประการคือมีจักสุแจมแจ้งด้วยมังสะจักสุคือตาเนื้อเนี่ยนะมีจักสุอันแจมแจ้งด้วยทิพจักสุคือตาทิพมีจักสุแจมแจ้งด้วยปัญญาจักสุมีจักสุแจมแจ้งด้วยพุทธจักสุเนี่ยนะมีจักสุแจมแจ้งแม้ด้วยสมันตะจักสุ ทีนี้ก็อธิบายจักสุแต่ละอย่างว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจักสุแจ่มแจ้งแม้ด้วยมังสะจักสุคือตาเนื้อเนี่ยเป็นอย่างไรในตาเนื้อของพระผู้ธเจ้านี่นะสีมีอยู่ห้าสีก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวมีอยู่ในมังสะจักสุ ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในตาพุทธเจ้ามีห้าสี ขนะนะถามว่าห้าสีเป็นยังไงก็คือขนพระเนศทั้งหลายตั้งอยู่เฉพาะที่ใดที่นั้นก็มีสีเขียวสีเขียวสนิทหน้าชมหน้าดูเหมือนดอกผักตบเนีย่ยนะถ้าดูค่อยๆดูลึกลงไปนะขนตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนดอกผักตบมันมีสีเขียวต่อจากนั้นก็มีสีเหลืองสีเหลืองนวลมีสีเหมือนทองคําน่าดูหน้าชมเหมือนดอกกัิกา ก็ว่าถ้าดูลึกเข้าไปในเบ้าพระเนตรทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเบ้าพระเนตรทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสองมีสีแดงแดงงามน่าชมน่าดูเหมือนสีปีกแมลงทับนี่ยนะปีกแมลงทับเนี่ยนะอันนะี้สีแดงเนี่ยสีแดงเหมือนดอกอะไรนะเนี่ยเหมือนสีปีกแมลงทับ ที่ท่ามกลางพระเนตรเนี่ยนะมีสีดําดํางามไม่มัวไม่ไม่ห ม, มองมัวสนิทน่าชมน่าดูเหมือนสีสมอดำเนี่ยนะก็คืออิฐแกไฟต่อจากนั้นก็มีสีขาวขาวงามเป่งปลัง่ลงขาวนวล น, น่าชมน่าดูเหมือนสีดาวประกายพรึกเนี่ยนะก็แสดงว่าตรงที่ขาวนะตาขาวของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมังจะสะจักษุนั้นเป็นปกติเนื่องด้วยพระวรกายคืออยู่ในกายนะเกิดขึ้นเพราะสุดจริตกรรมในภพก่อนจึงเห็นตลอดโยต์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือตาเนื้อของพระพุทธเจ้าเนี่กลางวันกลางคืนเห็น16กิโลเมตรโดยรอบเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้แต่เมื่อมีความมืดประกอบด้วยองคศีความมืดประกอบด้วยองคศีก็คือพระอาทิตย์อัสดงโคตรไปเนี่ยหนึ่ง เป็นวันอุโบสถในการปัก ค, คือข้างแรมเนี่ยนะสิบี่ขั้มหรือสิบห้าข้ข้างแรมเนี่ยเป็นแนวป่าทึบเนี่หนึ่งอาการละเมฆใหญ่ตั้งขึ้น น, นะนะก็คือมีเมฆมหึตั้งขึ้นเลยเมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นตลอดโยตหนึ่งโดยรอบในที่มืดประกอบด้วยองค์สี่แม้เห็นปา น, นี้ไม่ว่าจะเป็นที่หลุมก็ดีบานประตูก็ดีกำแพงก็ดีภูเขาก็าดี ก่ไม้ก็ดีเถาวันก็ดีเป็นเครื่องบังการเห็นรูปทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฉะนันไม่มีอะไรปิดบังะนะไม่รู้เอาอะไรปิดบังเนี่ยตลอดรัศมีสิบหกกิโลเมตรโดยรอบไม่มีเลยหากว่าบุคคลเพึงเอาเมล็ดงาหนึ่งเนี่ยทำเป็นเครื่องหมายใส่ลงไปในเกวียนบรรทุกงานั่นแหละขึ้นมังสะจักสุเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนั้นเรียกว่าถ้าใส่เมล็ดงาเข้าไปกลางคืนเดือนมื่นนะพระองค์อะไปหยิบมาได้เลย นันพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยมังสะจักษุอย่างนี้นะโอ้ตาดีเยี่ยมอ่ะนะดูบนดูล่างดูขวางดูทะลุฟ้าอะไรหมดอ่ะนะสิบหกิโลเมตรโดยรอบนั้นรัศมีการเห็ น, น, น, น, นเนี่ยนะเท่าไหร่นะวิสัยทัศน์เนี่ยวัดเฉียงเฉียงก็นั่นแหละไม่ต่ำกว่า40สิบกิโลเมตรเนี่ยนะวัดโดยขวางขนาดเนี่ยตานี่ไม่ธรรมดา ที น, นี้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งแม้ด้วยที่พจักษุอย่างไรเนี่ยนะไม่ใช่มีเฉพาะตาเนื้อนะที่พิเศษนะนะั้นอ่ะยังมีตาทิพย์อีกคือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซา ม, ดมดได้ดีตกยากด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุ ข, ของมนุษย์ย่อมทรงทราบหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า นะนะคือรู้กรรมเนี่ยนะนะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและกรรมของสัตว์เนี่ยว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะนะความชั่วนะกายทุจริตความชั่วทางกายสามความชั่วทางวจีสี่ความชั่วทางกายสามเอ่อทางใจสา ม, าาาสามแล้วก็ยังติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยนะนะติเตียนพระอริยเจ้ามีโทษมากท่านจึงยกมาเป็นพิเศษเนี่ยนะนะ เป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอานาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกน่ะเอย่างที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะคืออบายทุกขติวินิบาตนรกก็มาจากไหนก็มาจากเนี่ยติดเตียนพระริยเจ้ามาจากมิจฉาทิฏฐิมาจากทุจริตสามนี่นะเนี่ยนะคือประตูแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรก หรือส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตรวจีสุจริตมโนูสุจริตไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นสุขติทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ไล่ว่าโอ้มาจากไม่ติเตียนพระริยเจ้ามาจากสัมมาทิฏฐิมาจากสุจริสามนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติ ที่เลวประณีตเนีย่ยนะมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยาก น, นะเขาบอกว่าเลวเนี่ยก็เป็นผลของไม่ให้ทานประนีตก็เป็นผลของทานเนี่ยนะผิวพันธ์ดีก็เป็นผลของไม่โกรธผิวพันธ์ไม่ดีก็เป็นผลของโทสะ น, นะได้ดีก็เป็นผลของปัญญาตกยากก็เป็นผลของโมหะด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์ และทรงทราบหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้เพระนั้นพระองค์เนี่ยเห็นทั้งกรรมเห็นทั้งผลของกรรมนั้นเห็นกรรมก็ยังถึงผลของกรรมเห็นผลของกรรมที่กําลังรับอยู่ก็สาวไปหากรรมได้ก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประสงค์ก็พึงเห็นโลกธาตุโลกธาตุคือจักรวาลไม่ว่าจะเป็นโลกธาตุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโลกธาตุหรือว่ายี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบ หรือว่าพันโลกธาตุส่วนเล็กโลกธาตุสองพันเป็นส่วนปานกลางแม้โลกธาตุสามพันหรือว่าโลกธาตุหลายพันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เท่าใดก็ทรงเห็นเท่านั้นทิพระจักสุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแจมแจงแม้ด้วยทิพจักสุอย่างนี้ตาทิพย์ของพระองค์เนี่ยเยี่ยมขนาดว่า เห็นมูสัตที่เป็นไปตามกรรมนะเห็น ท, ทั้งที่เป็นกรรมและผลของกรรมเห็นทั้งทั้งโอกาสสโลกเนี่ยนะไม่มีที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแจมแจ้งแม้ด้วยปัญญาจักสุอย่างไรที่บอกว่าพระองค์มีปัญญาเนี่ยมีปัญญาอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาร่าเริงรื่นเริง มีพระปัญญาเล่นไปเนี่ย น, นชะชวนาปัญญามีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชําแรกกิเลสทรงฉลาดในประเภทปัญญามีปัญญาแตกฉานบรรลุปฏิสัมพิทาทรงบรรลุเวสารัชยานสี่นะบรรลุทศพลยานทรงบรรลุทรงเป็นบุรุษผู้องอาจเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชานัย ทรงเป็นบุรุษผู้นำธุระไปเป็นปกติมีพระยานหาที่สุดไม่ได้มีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพระยศหาที่สุดไม่ได้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีปัญญามากเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษนำเนืองๆทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้จักประโยชน์ผู้ให้เพ่งพิจารณาผู้เห็นประโยชน์ผู้ให้เล่นไปด้วยปภาสาะคือความผ่องใสเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทรงให้มรรคที่ยังไม่เกิดเกิดพร้อมที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมคืออริยมรรคของพระองค์เนี่ยนะที่ไม่มีผู้ใดทําเกิดมาก่อนหน้านี้พระองค์ก็ทําให้เกิดขึ้นทีนี้พระองค์ก็ตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกก็คือบอกอรหัตธมมรรคของพระอริยะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะ ทรงรู้ซึ่งมัชทรงทราบซึ่งมัชฉลาดในมัช ก, ก็แหละบัดนี้สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ดําเนินไปตามมัชเป็นผู้ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติญาณทัศนะในภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมะที่ควรเห็นมีพระจักสุ มีธรรมะมียานมีพรหมธรรมผู้ตรัสบอกทรงแนะนำทรงนำออกซึ่งอัฏฐะทรงประธานอมะตะธรรมเป็นธรรมะสามีเป็นพระตถาคตสิ่งที่ไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบไม่ทรงทาให้แจ่มแจ้งไม่ทรงถูกต้องด้วยปัญญาย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่คลองแห่งพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงชื่อว่าประโยชน์ที่ควรแนะนำทุกๆอย่างที่ควรรู้มีอยู่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ตื่นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ปกปิดประโยชน์ที่ควรแนะนำประโยชน์ที่นำไปแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์ผ่องแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดย่อมเป็นไป ภายในพระพุทธญาณเห็นหมดไม่มีเหลือพราะยานพระองค์ผู้ตรัสรู้แล้วมีพระญาณไม่ขัดข้องในอดีตมีพระญาณไม่ขัดข้องในอนาคตมีพระญาณไม่ขัดข้องในปัจจุบันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วบทแห่งธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระญาณก็เท่านั้นพระญาณเท่าใดบทแห่งธรรมที่ควรแนะนาก็เท่านั้น พยานมีที่สุดรอบแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำบทธรรมที่ควรแนะนำมีส่วนสุดรอบแห่งพยานพยานย่อมไม่เป็นไปเกินบทแห่งธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่เกินพยานธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนเมื่อชั้นพระอบทั้งสองเนี่ยปิดสนิทนะปิดกันสนิทพอดี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 Hmm. พระยานมีส่วนสุดรอบแห่งธรรมที่ควรแนะนําบทแห่งธรรมที่ควรแนะนําก็มีส่วนสุดรอบแห่งพระยานพระยานไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนําทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไม่เกินพระยานธรรมะเหล่านั้น <oud>. ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันฉะนั้นพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปรอบในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเนื่องด้วยความนึกคืออวชนะเนื่องด้วยความหวัง เนื่องด้วยมนสิการเนื่องด้วยจิตุบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปรอบในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบอัธยายศัยอนุสัยจิริตอธิมุตแห่งสัตว์ทั้งปวงย่อมทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสคือทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักสุ มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทรามผู้แนะนําได้โดยง่ายเป็นผู้แนะนําได้โดยยากเป็นผัพสัตวเป็นอภัพสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญานอุปมาเหมือนว่าปลาและเต่าทุกชนิดรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละโดยที่สุด ย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรเห็นไหมก็คือปลาเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่ล้นทะเลหรอกพงันทะเลเนี่ยใหญ่ที่สุดชั้นใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปในภายในพระพุทธยานชั้นนั้นนกทุกชนิด น, น, นะนะรวมทั้งครุฑเวนตยโคตรโดยที่สุดย่อมเป็นไปภายในประเทศอากาศชั้นใด น, นะนกทุกชนิดมันไม่ใหญ่เกินอากาศหรอกฟังกั้นอยู่แค่อากาศนั่นแหละพุทธสาวกทั้งหลายพูดเสมอด้วยปัญญาเนี่ยนะผู้มีปัญญาเสมอด้วยภาษารีบุตรแม้แต่ภาษารีบุตรก็ยังเป็นไปในประเทศแห่งพุทธยานฉันนั้นพระพุทธยานย่อมแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกบัณฑิตที่เป็นกษัตริย์พราหมขึ้นหาปฎิสมณามีปัญญาละเอียดแต่งวาทะโต้อตอบเหมือนนายขมังธนู ผู้สามารถยิงขนท่ายเที่ยวไปดุดทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นปรุงแต่งปัญหาแล้วเข้าไปเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหาปัญหาเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดย้อนถามและตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตทุที่ทรงแสดงออกและทรงสลัดออกบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมทรงภัยโรดยิ่งด้วยพระปัญญาในที่นั้นโดยแท้แหลเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจักสุแจมแจ้งด้วยปัญญาจักสุอย่างนี้นะเรียกว่าตาปัญญาของพระผู้เทอเจ้าเนี่ยกว้างขวางนะนะไม่มีอะไรจะเปรียบตามอีกแล้วนะเขาบอกว่าถ้าเปรียบด้วยแผ่นดินแผ่นดินก็แคบไปถ้าเปรียบด้วยน้ําน้ําก็เล็กไปถ้าเปรียบด้วยอากาศอากาศก็แคบไปปัญญาของพระองค์กว้างขวางไม่มีที่สุดยิ่งกว่านั้น